ท่านทั้งหลายสาหรับหน้านี้ก็มาฟังเพื่อช่วยความโรงคารต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เสียงก็แห้งท่องก็อืดแรงไม่มีเดินโวนจะล้มตาลายทิ้งก็แข็งถ้าถามว่าทำไมจะมาพูดก็ต้องพูดทิ้งท้ายไว้เพราะว่ามันจะตายจริงๆไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไร โรคจริงๆไม่มีอะไรคือโรคขี้อย่างเดียวไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไม่หาโรคไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเนาะที่พรบาทสมเด็จเจ้าอาู่หวได้ไตรวจก็หาโรคไม่ได้ไ อ, อทา ท, ทอนะิตย ห, หมอสูตรทําเอยหมอเยอะแยะอย่างหมอแสงโสมนี่หมอบนตรีแหม็นักเป็นหมอนักตรวจจานาญมีความจำนานการมาก หมอเจริญหมอสุ ธ, ธรรมหมอหลายหมอจริงๆใครถามว่ามีหมอประจำตัวกี่คนก็ต้องตอบว่าเยอะก็เป็นหมออันดับที่เขาเชื่อถือทางนั้นเขายกย่องมาเป็นศาสตราจารย์บ้างรองศาสตราจารย์บ้างท่านพุฒนานการโดยเฉพาะบ้างเฉพาะโรคบ้างแต่ตรวจไม่พบหาของจริงไม่ได้ของจริงๆคืออุจจาระอย่างเดียว เจ้าเซมหะมันอยู่ที่คอขนาดหนักเมื่อเดือนตุลาก้อนใหญ่มากขนาดมันโตจะ ก, ก่อปากมันเอาไหลออกมาเราออกปากถึงปากมันต้งรีดตัวเองแล้วมันก็แข็งเหนียวแข็งมากยันนี้เอ็กซเรย์ยังมองไม่เห็นยังไม่ติดก็แสดงว่าโรคมันเหลือมันหนีเอ็กซเรย์ได้เครืมือ่มือวิทยาศาสตร์ตรวจไม่ได้ก็ามาคุยรัประการต่อไป ในตอนนั้นยังถามด้วยกันว่าในเมื่อท่านบอกแล้วมันไม่ตายตามนั้นถ้าท่านก็อ้างว่าพระเจ้าขวางใช่ไหมถ้าการท่านบอกว่าต้องบอกว่าใช่ถ้าผู้ประสาชาวบ้านคงจะทราบเหมือนกันว่าพระเจ้าบอกท่านไว้ว่าท่านยังไม่ยอมให้ตายจะต้องอยู่ต่อไปตามที่ท่านกองต้องการพมทราบ แต่งานของผมมันจําเป็นจะต้องทำเพราะตามมัชีิของท่านต้องตายวันนั้นและเวลาเท่านั้นแต่ว่าอายุไขของท่านจริงๆแค่อายุยี่สิเจ็ดปีต่อมาก็เป็นอายุที่พระเจ้าทรงต่อให้ฉันจะตายเมื่อไหรเป็นเรื่องพระเจ้าชะองเดียวแต่ผมต้องทำงานตามนาทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่ท่านกำลังปฏิบัติ อย่างดีเท่าที่จะเพึงทําได้หมายความดีเท่าที่เพึงทําได้คือแม้จะเหนื่อยยากขนาดนั้นก็ตามจะป่วยแค่ไม่สบายก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าให้ทําก็ทําทุกอย่างในเมื่อท่านทาได้อย่างนี้ผมก็มีความจําเป็นต้องไปแนะไปบอกท่านให้รู้ตัวว่าคืนนี้คือที่ทีนที่สิบห้าเวลาห้าในราตรงจะต้องไปแจวทีนี้ ผมแรกก็หมดผมบอกแล้วก็หมดนาทีของผมไปถามต่อไปว่าก็เวลาไปบอกทําไมไม่บอกให้ละเอียดบอกคําเดียวว่ามันเวลาวันคืนนี้เวลายี่เอเวลาห้านอนนะต้องไปแล้ว ก, กลับเลยทั้งเลยบอ ก, กจะไม่กลับยังไงอยยามของท่านนป่นเข้มงวดเหลือเกินถามว่าใครเป็นยามใครมาเป็นยาม ท่านเลยบอกวเวลาที่ผมเข้าไปเนี่ยมีเทวดามีนางผ้ารวมแล้วทั้งหมดเกินกรบร้อยคนอยู่ด้านนอกแต่ว่าด้านในยิงใกล้ตัวท่านมีสี่องค์เห็นท้าวราราทังสีมีท้าวทศรถท้าววิรหกอยู่ข้างหนึ่งท้าววันปักก็ท้าวเวสวรรอยู่ข้างหนึ่งทงั้งๆซ้ายและขวาเวลาผมจะเข้าไปหาท่านนี่ต้องขออนุญาตเขาแต่เป็นระยะเข้าไปเลย ไม่อย่างนั้นเทวดานางฟ้าทั้งหมดเกหน้ายิ้มไม่เป็นผู้เกรงใจใช่ไหมกันก็ต้องยกมือบนนมขอโทษขอภัยขอเนีย่ยเขาทุระยักเข้าไปกว่าจะเข้าไปถึงท่านต้องสือราเกือบชั่วโมงพอเข้าไปใกล้ท่านแล้วเทวิตวันหันมาบอกหยุดผมก็ต้องหยุดก็ถามว่าเทาวิตวันน่ะท่านเป็นชั้นเจ้าตมหาราชนะท่านสูงไม่เท่าดาวดึง แต่านบริการก็บอกว่าอย่าลืมนะชั้นไหนนะไม่สําคัญสําคัญบนบา ร, รมีโียเพราะอย่างยิ่ยงธรรมาชาทั้งสี่เป็นทหารเข้าไปอินถ้าธรรมาราทั้งสี่ก็ไปจอมทหารตัะทิตย์จะไปจอมทุกคนตัดทิตทิศตะนออกทิศตวันตกทิศเหนือทิศใต้ขอพายในญาโยงเชื่อพูดดินพันกันที่รื่คนใกล้จะตายพูด ในเมื่อเขาไียอมนายก็ต้องยอมรับตามถือเ้าเขาเป็นพูกเฝ้าเฝันดูแลอยู่เขาดูแลมานานแล้วหลายปีแล้วอยูหลายสิบปีก็แล้วกันพอจะเข้าไปใกล้ของยายเขาก็บอกพูดได้คําเดียวนะแล้วต้องไปทันทีอย่าพูดนานไม่ได้ผมก็ต้องพูดจํากัดบอกว่าจะเพราะวันคืนวันนี้เวลาตีห้าตรงต้องไปท่านจะไปจะที่นี้เท่านั้นและผมก็ต้องรีบกลับ พ็เขาผลักให้กลับมาเลยอถามว่าทําไมจึงกลัวถ้ามาลาดต้องรอดพราะก็ต้องกลัวเพราะหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ต้องเกรงกันบางทีกำนันก็ต้องเตียงผู้ใหญ่บ้านเพราะเป็นเขตขงมบ้านของผู้ใหญ่บ้านจะไปจับใครจะไปด่าไปว่าใครจะตัดเพลิงใครต้องขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านก่อนทั้งนี้เพราะเขาเป็นอย่าของบ้านเจ่าของถิ่นที่ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเกรงใจเจ้าบ้าน เจ้าบ้านไหนใครใช้เป็นเจ้าบ้านแล้วมีอำนาจพอขึ้นไปหยิบชวยอะไรของใครก็ได้ขึ้นไปงใครก็ได้อันนี้ผิดกฎหมายเทวาดาก็เหมือนกันยิ่งอีกบคนหนึ่งคนนั้นเกรงใจกันมากก็ว่าว่ามาคุยมาการพอสมควรแล้วก็ถามนะว่าท่านเป็นท่าการเพราะอะไรทําไมจึงเป็นท่าการทั้งว่าตามวิสัยของผมนะครับ สมัยเมื่อเป็นมนุษย์ผมก็เป็นนักบวชอย่างท่านแต่การบวชของผมมันบวชได้ไม่นานนักเพียงแค่สิบปีษาผมก็ต้องตายตายในความเป็นพระถ้าถามว่าสมัยที่บวชได้อะไรถ้าบอกสมัยที่บวชนะผมได้อภินยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความเป็นพระอริยเจ้า ก, ก็ได้แค่พระสิกขาคามีต่อไปเมื่อตายมาแล้วก็ปฏิบัติตนถึงอนาคามีในเวลาที่บวชก็ดีเป็นฆราวาสก็ดีผมชอบรอบรู้ชอบรู้การเวลาของคนและเขาเวลาเวลาไหนใครจะไปไหนเวลาไหนใครจะกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพูดสั้นๆว่าเป็ น, ปนหมอเป็นหมอดู คนใช้ที่กุยยานเป็นเครื่องดูรอบรู้ไปหมดไอตัวอยากรู้อยากเห็นอย่างเนี้เวลาตายได้วเขาเกณฑ์ให้เป็นประการว่าเป็นเทวดาที้เขาเกณฑ์ให้เป็นคือเป็นประการเพราะนิสัยเดิมชอบอย่างนั้นถ้าผมเองเขาชอบเหมือนกันชอบรู้ทั้งหมดคนทั้งโลกผมรู้หมดแดาว่ามันไม่มีหน้าที่จะพูดถ้าบรรดามนุษย์มาคุยกับผมได้จะสนุกมาก ผมชอบคุยแต่ว่าไม่มีใครมาคุยกับผมคนนี้เขาบอกเขาเป็นนักพิสูจน์ผมก็ได้ยินเที่ยวกับท่านเป็นผู้ชายยังหนมอยู่อายุไม่เกินสี่สิบปีรร่างหน้าตาดีเขามาไล่เรียนกับท่านทั้งนรกสวรรค์เขาบอกนรกสวรรค์พิสูจน์ไม่ได้ <c oughs> ก็ผมขอฝากไปบอกเขาด้วยนะ ให้อยากจะมิสูวนได้อย่างอ่อนเอาอย่างเล็กๆเบาๆขอมน้อยๆให้ฝึกสองในวิชาสามให้ได้ถ้าได้สองในวิชาสามใจเห็นได้นรกก็เห็นได้เปรตก็เห็นได้สุรกายก็เห็นได้เมื่อมนุษย์อยู่ของเขตแค่ไหนก็เห็นได้สอยรค์ก็เห็นได้พุทธโลกก็เห็นได้ถ้าจิตสะอาดอนิพพานได้ อย่างไดเร็กๆ เ, เด็กแต่เห็นแล้วไปไม่ได้ถ้าอยากจะไปให้ได้โดยก็ต้องฝึกอวิญญาอย่างอ่อนไม่ต้องอย่างแก่อย่างผมนี่สมัยนั้นเวลาจะไปไหนเพราะรีวลอยไปทั้งตัวเลยไม่ไกลเพราะอธิสมานกายแต่มันก็ไม่ดีท่านไอ้ไปทั้งตัวเนี่ยอย่างเข้มแข็งนั้นไม่ดีอ่เหนื่อยทำไปสู้แดดสู้ฝนสู้ทนสู้ท น, ส, ทนสู้ลม ไม่ดีถ้าสู้ไปแบบถอดจิตเถอะถอดถอ ด, ถอดกายภายในไปอันนี้ดีกว่ามากไม่มีใครเห็นและไม่ต้องใช้วิชานีเดอร์กสินไปบังเขาไม่จำเป็นไม่ใช่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วเป็นนั่งตักมันยังไม่รู้เลยวันคุยกันแคนสองคนเราเป็นนั่งกลางกลาเรากลางเรากลางมันยังไม่รู้เลยอันนี้ดีกว่า อย่างท่านมานิทักมาแต่กายในไม่ได้เอาใายนอกมาใครนอกรอนไงแใก่ที่ปกตินั่ดูทีไหมมันบิดไปบิดมา แ, แต่ชิวกินอลไเห็นไหมก็อบอกปล่อยให้ตะคิวมันกินเไปมันอยากหญกินเนื้อดิบๆก็กินไปถ้าตามใจมันฉันไม่สนใจนมันหรอกถ้ามันตายเมื่อไรฉันก็ไม่กลับมานั้นถ้าบอกไม่มีทาง ก็แปลว่าบรรดาทางพุทธประวัตก็คุยกับประการพอสมควรของจรงคุยมากกว่านี้นะที่อาอีหน่อยอาอีหน่อยไหมเอาอีหน่อยก็ได้ถามว่าประเทศไทยต่อไปจะไปยังไงท่านตอบว่ามันตอบไม่อยากท่านบอกไม่ไม่อยากตอบไม่อยากถามว่ายัางไงต่อไปประเทศไทยก็คือประเทศไทยประเทศไทยต้องไม่ใช่ประเทศเจ็ก ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศลาวประเทศไทยไม่ใช่ประเทศกัมพประเทศไทยไม่ใช่ประเทศพ ม, มา่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแคนด์มาเลเซียไทยยังคงเป็นไทยตลอดไปยุตลอดการตลอดสมัยเพราะไทยเป็นคนคนที่มีบุญมากครองอยู่ถาว่าใครถ้บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> ถ้าพระโพธิสัตว์คองที่ไหนรุ่งเรืองที่นั่นถ้าใครบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านแก่แล้วนะท่านเหนื่อยมากตัวแค่ภาพทัวทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้สึกว่าเราก็ทำกันไม่ไหวเขาท้าบอกถูกแล้วนั่นเป็นเรื่องของพโพธิสัตว์เพราะโพธิสัตว์จะมีความมั่นคงเหนียวแน่นมีกําลังดีมีความฉลาด มีความสามารถเป็นกรณีพิเศษถ้าต่อไปเขาถามตบอกว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปประเทศไทยจะรวยไหมท่านตอบว่าเวลานี้คนไทยรวยนะถ้าว่ารวยอะไรคนมาําบนเก้าบาทสิบาทก็ขอธรรมดาธรรมดาไปแล้วก๋วยเตี๋ยวมันแพงย้อนสมัยก่อนถ้าบาทเดียวก็รวยมากก๋วยเตี๋ยวก็สองชามห้าสตางค์ เวลานี่สิบาทซื้อก๋วยเตียวเกืจะไม่ได้ค่าเงินมันถูกท่านบอกว่าท่านทําไมไม่ดูคนที่โกรวยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านล่ะบอกเออตาฉันมันไม่ดีตาฉันมองไม่เห็นก็เป๋าเขาอ่ะก็เวลาคุยกันโจกคราวก็ขอลาท่านเวลาท่านก็หันมาถามโยมถ้าไม่โยมทั้งสองโยมโยมสามบดีพรมก็โยม แล้วก็ท่านไปอินก็โยมอีกหลายโยมนั่งอยู่เยอะพ่อแม่เก่าๆก็บอกว่าหนักใจไม่โยมอาตมาอาตมา น, มานี่ต้องทําให้ญาติโยมเหนื่อยมากเทวดานางฟ้าพรหมก็เหนื่อยมากเพราะบคุคคลคนเดียวทําให้เทวดานางฟ้าและพรหมพระดีเจ้าทั้งหมดช่วยกันสงเคราะห์โยมสามอดีผมนั่นก็เลยบอกว่าคุณ งานที่คุณทำนั้นไม่ใช่งานของคุณนะมันเป็นงานที่พระเจ้าทรงสั่งในเมื่อพระเจ้าสั่งที่อย่างหนึ่งเทวดากับผมก็อยู่ไม่ได้ต้องช่วยกันเป็นงานสร้างศรัทธาของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการอย่างเดียวคนเห็นวัดแค่เห็นวัดให้มีความชื่นใจไม่ทั้งอดชัย แต่ว่าช่างบางพวกคยหาว่าไอ้ตาปิดกระจกเตี่ยมันจะเป็นลีโกนิเก่เป็นเรื่องของเขาเราคนส่วนใหญ่พราะเจ้าตร ก, การคนส่วนใหญ่ถ้าคนบ้านนอกนี่ชอบมากเห็นปิดทองปิดกระจกนี่ชอบมากแต่ช่างสถาปนิกบางท่านประกาศปิดกระจกนี่ชาวเหนือเป็นเวนิเกหัอช่างเขา mm. ถ้าคนก็ชอบใจจิตมันก็ติดในภาพ ภาพจิติเป็นภาพอะไรก็เป็นภาพบุญกุศลในเมื่อจิตจิตติเป็นภาพบุญกุศลอารมณ์มันก็เป็นกุศลในเมื่ออารมณ์เป็นกุศลตายลราไปไหนไปสวรรค์ไม่อย่างน้อยทั้งทั้งที่ทำบาปไว้มากก็ยิงแหละเพราะว่าถ้าโวยรายจะตายจิตนึกถึงภาพนั้นขึ้นมาว่าเราเคยไปวัดถ้าสูงชอบภาพนั้นชอบภาพนี้ติดใจเพียงแค่นี้กําลังใจเป็นกุศลบาปเขาถอยไป แต่ที่มาคุยนึกว่าการควบคุมอาตมานี่คอายืนยันอาตมายืนยันเองว่าการทรงตัวอยู่เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าจริงๆเทวดากับพรหมนางฟ้าช่วยพระอรหันต์ช่วยแต่การอยู่ได้พระเจ้าท่าสทรงให้อยู่อย่างคำนี้เห็นว่าก่อนถึงเวลาตีห้าท่านจะมายับยั้ง แล้วก็ถ้าถามว่ามีใครรู้บ้างพระในประเทศไทยถ้าเอาทั้งประเทศได้ญาติโยมความรู้ยา น, นี้นับแสนองค์ถ้าคนด้วยนับทั้งทั้งคนทั้งองค์แล้วก็ทั้งพระแล้วก็เป็นแสนคนที่เป็นพระว่ายเขารู้ก็เยอะพระที่จะมีความรู้ก็เยอะก็จงยา น, นึกว่าเรามีครูบาอาจารย์เท่าตมา ถ้าดีจะมาองเดียวว่าไม่ใช่อย่างนั้นความดีอย่างนี้ที่ท่านดีกว่านั้นมีเยอะหลายองค์แต่บาคนไม่สนใจท่านบ้างบางทีเราก็ไม่เคยทําบุญร่วมกันมาในชาติก่อนไปฟังท่านพูดไม่รู้เรื่องถ้าคนกาจะมาจะมาฟังเพราะ อ, อนมาพูดเขาฟังรู้เรื่องถ้าไปฟังท่านอื่นพูดอาจจะไม่รู้เรื่องทีนี้คนของเขาคนของท่านทจะทำบุญร่วมกับท่านมา ฟังท่านรู้เรื่องมาฟังอาตมาได้รำคัญมันต้องอาศัยการบำเพ็นความดีจะเกิดมาร่วมกันเคยควบหาสมาคงกันก่อนนี่เยอะทีนี้เอาพระที่ใกล้ๆจริงๆที่ท่านเปิดเผยเมื่อวันที่หกขอโทษถ้าจำผิดนะวันที่หกธันวาคมสองพนหรสี่นั่นคือสมเด็จพระตั๋วสาอาจารย์ วัดสามพยาเพราะถ้าจะมาจะนําเหรียญลูกของท่านแล้วก็ไปถาวายใช้เพื่อ้แจกในงานฉลองฉลองโรงเรียนฉลองวัดถ้าท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันจะพอหรือว่าเหมือนนี้วะอาตมาก็เลยจ้างใจว่าถ้าวันฉลองวัดจริงๆวันทําบุญเกิดของท่านนะถ้าท่านจะลองวัดด้วยวันนั้นถ้าวบังเอิญเพราะว่าสมเด็จตี้พูดอะไรไม่เคยผิด อาตมาจับได้มาหลายครั้งแล้วเต็มทีเพราะว่าท่านก็ไม่จะปิดไอ้เราก็ไม่จะตั้งใจจับแต่ว่าท่านพูดตรงต่างความเป็นจริงพูดแล้วเป็นจริงตามนั้นบอกมันจะพอรู้ ว, ว่าเหมือนนี่ก็ตั้งใจว่าถ้าหากเกรงว่าจะไม่พอวันนั้นก็จะพระคําข้าวชาตรีไปเสริมอีกถ้าเหรียญหมดแจกพระคําข้าวชาตรีที่วัดสัมัญา วันที่20มีนาคม2544ไอ้องค์หนึ่งอาจะมาเข้าใจว่ามีความรู้ตามนี้ตรงแ้าก็รู้แน่นนอนด้วยแต่ว่ายังปกปิดอยู่พระยังนมอยู่นั่นคือสมเด็จพูทธาจารย์วัสุเกตองค์นี้จเจริญกรรมฐานมาตั้งแต่ยังเป็นเลนจเจริญว่าอยู่สมเด็จสังาราชอยู่ ท่ากรราชอยู่นี่เป็นพระไม่เกิดแล้วนะสมเด็จจักรราชอยู่นี่ท่านดีมากเป็นพระปฏิบัติจริงๆตรงไปตรงมาเวลาท่านปกเป็นพระเป็นสังฆราชเวลานั้นพระมีความเยือกเย็นเป็นสุขมากตัวเงินข้ามกับองค์กรที่เป็นนายเป็นเป็นสังฆนายกตอนนั้นวุ่นวายมากเหมือนไฟเผาผลนเร่าร้อนกันไปหมด พอสมเด็จชังราชอยู่ครับตำแหน่งพัพระทั้งประเทศเย็นเฉมมีความสุขอิ่มเอิมอิ่มเอิมเปมใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านมีความดีขั้นสูงมากแต่ถามว่าอาจจะมาเคยพบตอนนี้บอกเคยไปกราบทป็นสามครั้งตลอดเวลาที่นั่งอยู่เห็นท่านมีแต่ยิ้มอย่างเดียวคือว่าไม่เคยหน้าบึ้ง ถึงแม้ใค ร, รทำอะไรวิธีนั่จะกวนใจบินิดก็ไม่เคยน้า ง, งอยิ้มได้เฉพาะยิ้มอย่างเดียวเราเห็นเราก็ชื่นใจแค่ยิ้มก็พอแล้วสรางราชยิ้มนี่เราโตตคนเยอะท่านนี้นสมเด็จพูะทาอาจารย์วัตรสเกตเป็นลูกศิษย์ของท่านโดยโตรงและก็ไม่ทิ้งทั้งปริยัติไม่ทิ้งทั้งปฏิบัติว่ามาตั้งแต่เป็นเลน จนกระทั่งอายุเท่านี้ระยะยงพุทธวิสัชเห็นว่าท่านเป็นพระที่มีความเมตตาปราณีจริงๆอย่างเข้าไปในวังนี้ไม่มีพระอื่นเดินทักพระพระลูกเจ้าทั้งหลายก็มีสมเด็จพุทธ า, ายมาสเกตก็ต้องไปยังไม่เป็นสมเด็จแล้วยังไม่เป็นสมเด็จเขตามเดินทักทักทั้งหมดพระทุกองค์ยิ้มดีใจมากที่พระผู้ใหญ่มาทัก ที่อาตมาพูดในมาอาตมามีความเข้าใจว่ า, วาสมเด็จพุทธาจารย์พระเจตจมีความรู้ด้านนี้ครบถ้วนแล้วก็ครบกระบวนวามไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยพี่มาพูดถึงว่าพระที่รู้เอาแค่องค์ถ้าถามว่าองค์อื่นล่ะก็ต้องต่อองค์อื่นไม่ได้ไกลคิดไม่ทราบกาลังจิตของท่าน อาจจะท่านที่รู้จริงๆที่เปิดเผยจริงหรือสมเด็จพระสัมพยาวันนั้นพูดต่อหน้าญาติโยมหลายสิบเกินกว่าร้อยคนอาจจ ะ, ะมาไปที่วัดสัมพมยาเข้าใจาว่าจะไปเงียบๆไม่มีใครรู้เขาไม่อยากจะวุ่นวายอีกประการหนึ่งสมเด็จท่านก็ไม่สบายเป็นเวลาที่ทานอย่าพักผ่นหลังจากเที่ยงแล้วครู่หนึ่งท่านพักผ่อนไอ้ทั้งก็ต้องไปหลังเที่ยงเขาต้องกินข้าวเพีน ไปก็ไม่อยากจะคุยดอนเปการรบกวนท่านแต่พอไปถึงที่ไหนได้รถยนต์เต็มคนล้นหลามปรากฏเขาปิด ก, กันแซดหมดไอเราจริงๆก็โง่เงาเต่าตุต่นอาทำมาเองไม่รู้เรื่องว่ามีคนล่วงหน้าไปคอยถึงคนเตรียมไปมองหน้าไอพวกเราเท่งนั้นเลยถ้าท่าจะพูดต่อหน้าคนนั้นหลายเพาไม่ต้องห่วงลุงพ่อเอง ยังไงไงก็ขังเบื้องบนท่านช่วยอยู่หลายองค์นะครับประคองอยูหลายองค์ยังไม่ตายง่ายๆแม่เพราะพูกไม่ตายง่ายๆตกใจว่าเพราะอะไรเพราะเราอยากตายเพราะเราอยากจะตายจะตายมันมีความสุขยังตายไม่ได้เนี่แค่เป็นหุ่นเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้งเบื้องบนทั้งหมดจะพูกอะไรก็ตามไปเรื่องของท่านมาเรื่องคอง์นี้องค์งนี้แค่เป็นหุ่นเปนก็บอกเสียง ท่านพูดตรงเปก็ไม่เคยคุยท่านฟังถ้าท่านทาไมา ย, ยังรู้นั่ก็มีหลายหลายอย่างที่จะมาจะทําอะไรก็ตามจะไปไหนก็ตามท่านรู้หมดไปถึงพระท่านทักตรงหน้าเลยว่าจะไปนั่นหรือจะไปที่นี่ดิจ ะ, จะทำอย่างนั้นหรือจะทําอย่างนี้ดิแต่ว่าท่านจะพูดได้พระพุทธจะพูดได้เฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้น ถ้าคนนี้ขาดศรัทธาจริงๆธรรมดาท่านพูดบริษัทท่านจะไม่พูดอาตม า, าเองก็เหมือนกันถ้าคนนี่ขาดศรัทธาจริงอะไรพูดทอนนี้บันทึกเสียงเสียงไปมากคงคงจะถูกด่ามากก็ดีใจให้เาอวดดีเกินไปคุณทำมันยิ่งเกินเกิ น, กนคนอื่นที่จะรู้แต่ก็มันรู้เสร็จแล้วจะทำไงถ้าไม่พูด ก็เป็นที่หนักใจเขาลูกหลานว่าเมื่อไรตลวงพ่จะอยู่กี่วันอะได้เรื่องตายตายมันต้องพูดกันอ่ะอีเรานั่นไม่มีกําหนดแน่นอนท่นให้ตายวันนี้ก็ตายวันนี้ตายวันนี้ก็ตายวันนี้อีกกี่ปีตายก็ตามใจไม่สนใจร่างกายไปเป็นไงก็แช่งมันไปคุยว่าการตะคิวไม่จริงกันล่างก็บอกไปมั้ยให้มันกิดให้ตายหายไปเลย กินเลิกกัทีไอ้ตะคิวก็รดย้ำเพอปล่อยมันให้กินตายหาจะกิมนเลิกกินมันเป็นอย่างนี้แหละมันแกล้งอยู่เสมอเพื่อเป็ว่าการที่ต้องพูดอย่างนี้ต่อไปก็เป็นว่าท่านหลารายคําสอนก็จะมาไม่มีอะไรเขาเรียไม่มีอะไรมานานแล้วก็สอนตามท่านสั่งท่านต้นใจจะมี เอาไฟฟ้ามาดับเพราะว่าทางไปเสียงขาดไปนิดหนึ่งเขาเ้าไปดึเครื่องไฟฟ้าพอดีไฟดับไปตอนมันจะไปยังไงก็ช่างมันรออย่างเดียวคือเมื่อไรมันจะตายแล้วสั่งใลยทาอะไรอ่าขอโทษจังหไหรเครื่องไฟ้าครุ่นกับเข้าไปดีเครื่องหนึ่งเครื่องลัดดีดเพีย้ยกกำมาอีกเสียงก็ขาดตอนไปเพรว่าทําตามท่านสั่ง ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปถามพระมาหาเลี้กายด้วยกันเกรงว่าจะเป็นพวกเดียวกันก็ไปถามธรรมยุทธ์คือเจ้าคุณไร้กวีวัฒสมนัตอย่าลืมว่าพระองค์นี้ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเนะี่ยเสียงก็มาได้ยินแตาอ่านลงเสียงของท่านอ่านลงเสียงท่านก็จับใจ ที่เวลาลูกศิษย์ทหาไปหาท่านท่านก็สั่งม า, าบอกท่านหลวงพ่อหลวงศีด้วยพอเวลาเนี้ยไอ้หนึม่มันคาตีดมันตาต้มันตองกันยุ่งไปหมดก็เอ็นด้วยกับท่านอย่ากเอาสือตอนแบบฉบับพุทธศาสนาวันหนึ่งจะไปดูเรื่องมโหสถไปงัดตำราขมาเดือสี่ใบมังหะสดเรือสี่ใบนี่ใช่ไม่ได้ไปถามต้นเหตุเขาก็บอกเป็นเหตุที่พิสูจน์ไม่ได้ พูดเดืนี้มันก็จะยาวขอพูดหน่อยตามธรรมดายการสังหีนาพระไตรปิฎกสมัยแรกที่มาพราหานกศพทำท่านใช้เฉพาะอรนันโดยสมิธา ย, ยานแล้วฟังคำสอนจะรับคำสอนพระเจ้าโดยตรงห้ารอรูปต่อมาข้างหลังหลังมาก็สังหีนากันโดยเฉพาะอรันทั้งหมด แต่ความจริงพระอรหันต์นี่มีคุณสมบัติมีคุณภาพไม่เท่ากันอย่างสุขเวิโกตอย่างแท้เลยนะเอาอย่างแท้แท้ท่านไม่มีความมรชีวิตจท่านตายกิเลสได้อย่างนี้ปรึกษาเรื่องพระตวีดกยากถ้าวิชาสามถ้าอย่างเข้มสามารถทบทวนได้ถ้าวิญญาหกอย่างเข้ม ะทะ่านทบทได้คล่องกว่าถ้าไปสมมิทายานอันนี้ไม่เป็นไรทรงตัวแน่จริงไรถ้าสงสัยถามต่อเลยวิชาสาวิญญาวกุเหมือนกันท่านมีความยลถ้าไม่เอาความรู้ของท่านมาคิดท่านถามต่อถามต่อขอดูภาพสาบว่าทบทวนได้เจ้าพระพไทวิตรของเราถ้าถามว่าฉบับไหนสมบูรณ์แบบที่สุด ก็แต่ว่า ส, สบับที่พระนารายมหาราชทรงไปรองเรสร็จสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าถามว่าเวลานี้ต้นฉบับนั้นก็สูญสลายไปแล้วเพราะว่าอยุธยาแตกถูกเผาเพราะใต้รุง่งอาจจะถูกเผาไปด้วยก็ต้องขอตอบอีกครั้งว่าถ้าจะต้องการสยเอ่มัยรัชากาลที่หนึ่งเป็นุมนทุรม์แบบที่สุจะผิดกับฉบับพระนาราย เองแค่ช่นโนไ ป, ไปชนและเชนนายไปคุณหลายเท่านั้นท่านบอกมีคนกลุ่มหนึ่งท่าน้ำไมบอกว่ามีคนไหลคนกลุ่มหนึ่งแตกต่างกันแค่นี้มีหกห้าหกห้าจุดก็ปแปลว่าใช้ได้ว่าคนกลุ่มหนึ่งก็หมายถึงคนมากแล้วคนไหลคนจนจนคนไหลคนจนนอจํานวนมากกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันมันอยู่ที่สนวนฟังรู้เรื่อง แช่แบบนั้นเป็นสัรว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าต้องการนะอันนี้ไม่ได้ไปค้างไข่ก็เป็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้มันใกล้จะตายก็เห่าหอนไปตามปกติไม่ก็มาเห็นผีมาเห็นวันดาเห่าหอนไปเห่าหอนมาบรรดาท่านหลายเวลานี้มันหมดเวลาซะแล้ว มองดูเวลาเี้ประมาณนักสองนาทีไม่ถึงดีก็ย้ำไม่นิดหนึ่งว่าต่อนนี้ไปเรื่องความตายก็ห้ามถามว่าถามว่ามรารยาตายก็ไม่ตอบเพราะอะไรเพราะตอบไม่ถูกถ้าถามว่านิพานมีจริงไหมเขาตอบว่าเด็กๆยังรู้เลยเด็กๆโรงเรียนพระสมัยยัเทราพิธยา ต้องฝึกวิชานี้ก่อนยิ่เข้าโรงเรียนได้ถ้าบอกว่าแล้วก็ซักซ้องกัทุกเดือนถ้าถามว่าดีทุกคนหรือก็ต้องตอบว่าไม่ทุกคนทําได้แต่เหลวแหลกไปก็เยอะเพราะเราจกดของกรรมดูตัวอย่างสมัยพุทธเจ้าพระเทวทัตก็เหลวแหลกมาเหมือนกันเป็นสบายนั้นไม่น่าจะเหลวแหลกไปเอาเวลาบอกอีกแล้วจะติติๆแล้วเพราว่า จากนี้ไปขอบรรดาางพุธทธศาสนาต่างหนายให้อภัยด้วยพูดก็ไม่ชัดเสียงก็แห้งแรงก็ไม่มีเท้าก็อิดตายก็ลายใจก็กระสับกระส่ายขอความสงสวัรดิพยพัฒนวิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีเกีนบรรดาทุกท่านทุกคนสวัสดี